นับแต่โสดาบันขึ้นไปเมื่อเป็นโสดาบันบุคคลแล้วเป็นอันปิดอบายถาวร อ, อันว่าโสดาบันบุคคลนั้นต่อให้ปรารถนาจะมาบำเพ็ญบารมีต่อในโลกมนุษย์ยังน้อยตายไปก็ได้พักบนสวรรค์ก่อนอย่างแน่นอนจิตของโสดาบันบุคคลมีดีอย่างไรจึงปิดอบายได้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 ก็ดีกว่ามองดินโคลนและคิดแต่จะย่ำไปย่ำมาอยู่แถวนั้นการคิดถึงสวรรค์แม้ไม่ทราบว่าสวรรค์มีจริงหรือเปล่าอย่างน้อยก็มีแก่ใจใช้ชีวิตเพื่อสร้างทางสวรรค์มิฉะนั้นก็ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นจุดหมายปลายทางในการใช้ชีวิตดีจริงไหม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 ที่ไร้เหตุผลก็ตามคำตอบคือยอมรับไปว่าจิตร้อนและอาศัยจิตร้อนๆนในแต่ละครั้งนั่นเองเป็นแบบฝึกหัดโดยทำความเข้าใจไว้ให้ดีว่าเมื่อใดที่ใจมีสติเมื่อนั้นความเย็นจะเกิดขึ้นก็แล้วสติมาจากไหน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 ผู้มีจิตเป็นเมตตาไม่คิดเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นย่อมเป็นผู้มีปกติอยู่เย็นและพร้อมจะไปเย็นสามารถประกันพบภูมิให้ตัวเองได้ด้วยความรู้สึกในชีวิตเย็นเย็นนั่นเองว่าไม่มีทางตายร้อนต่อให้ต้องตายด้วยความทรมานทางกายมากมายเพียงใดก็ตาม ดาวจะไม่พร่าแสนแม้วันนี้จะอ่อนแรงด้วยว่าทำดียังมื่นมนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เจอมีเหตุมีผลให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปหากยังทำดี Whoa, oh, oh, oh! been k o n d